บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติครรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาในเรื่องของขันห้าโดยจำดับ ง, งในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นทรงสอนให้ผู้ศึกษาปฏิบททัติทำความรู้ทำความเข้าใจในขันห้า สามช่วงด้วยกันคือช่วงแรกได้แก่ลักษณะหรือสภาวะของขันแต่ละอย่างช่วงที่สองก็คือเหตุเกิดของขันแต่ละอย่างไละช่วงที่สามก็คือความดับซึ่งกรนีจะเห็นว่าเป็นโครงสร้างของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้สิ่งเหล่านั้นจะปรากฏ อยู่ในปัจจุบันแกตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นลักษณะเป็นอาการเป็นสภาวะที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆแต่สิ่งเรานั้นเป็นผลพวงมาจากอดีตการศึกษาก็ศึกษาไปถึงต้นต่นตอที่มาในอดีตซึ่งมีความสลั บ, บซ้อนมีขั้นตอนต่างๆอยู่อีกอีกกั น, นั้นมาก และต่อไปก็คือมองไปที่อนาคตอนาคตของสิ่งเหล่านั้นที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันยังไม่ปรากฏแต่ว่าอนาคตของสิ่งชนิดเดียวกันและประเภทเดียวกันได้อยู่ในสภาวะเดียวกันมันก็ปรากฏได้เห็นต่ลงว่ากระบวนการของสิ่งทั้งหลายมันก็มีการเกิดขึ้นมีการดำรงอยู่และมีการเสื่อมสลายไป ทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธามรรมปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลโดยมีความรู้สึกว่าตนต้องท่าท่าสูญเสียก็ดีตนต้องประสบกับความทุกข์ทรมา น, น, นต่างๆก็ดีเป็นเรื่องของความยึดติดเอาในขณะนั้นๆ น, น, นั้นเอง ใริ้สิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามเหตุปัจจัยถ้าบุคคลเข้าใจได้ทั้งสามช่วงจาสามารถลอยวางได้ในแต่ละช่วงความทุกข์ความเดือดร้อนที่เคยเกิดขึ้นก็จะซึงมบลงจนถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุด จิตใจจะไมยึดติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันแต่จะเกิดปัญญารู้เท่าทันทังความจริงของสิ่งเหล่านั้นถ้าที่เป็นมาแล้วในอดีตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและจกเป็นในอนาคตการที่โลภมาต่อมาถึงในส่วนของสังขาระคันคำว่าสังขารนั้นแปลว่าของผสม หรือของที่ประชุมปะปนกันอยู่หลายๆเรื่องในบาลีนั้นจะเรียกรวมๆถึงศัรพท์สังขารทั้งหลายใช้คำวมาสังขารหรือบางทีก็ใช้คำว่าธรรมหมายถึงของที่ปนกันอยู่หรือบางทีก็พูด ง, ง่ายๆว่า ส, สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง มีเป็นรูปธรรมก็มีมีที่เป็นนามธรรมก็มีเชื่อโดยโดยทั่วไปเพื่อความเข้าใจ ง, ง่ายในรูปธรรมที่หยาจบายจะใช้คําว่าสังขารที่มีเจครองกับสังขารที่ไม่มีเจครองในขณะที่นั่งอยู่นี้ตัวเราเองเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองพื้นที่เรานั่งอาคารที่เราใช้สอยเป็นสังขารที่ไม่มีเจครอง แม้แต่ตัวเราซึ่งเป็นสังขารที่มีใจครองเองพอถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นสังขารที่ไม่มีเจครองนั่นก็คือคราวที่แตกลับไปการสอนสังขารในแนวนี้จะสอนในแนวของทุกขสัจสอนสังขารในแนวนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในส่วนรูปประคันไปแล้ว แต่สังขการที่ทรงแสดงไว้ในขันทั้งหานั้นเน้นไปที่ธรรมะหรือความรู้สึกนึกคิดภายในใจของบุคคลจำเริญบาลีท่าชายธรรมเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตทรให้จิตของเราแปรผันไปด้วยประการต่างๆโดยกับภาพจิตที่แท้จริงนั้น คล้ายๆกับ น, น้ำซึ่งไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่น้ำจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสไปตามสิ่งขึ้นเข้ามาผสมกับน้ําแต่เนื่องจากสีกลิ่นรสเหล่านั้นไม่ใช่น้ําแต่เป็นของที่จอนมาของที่ปะปนเข้ามาบุคคลจึงสามารถแยกสีกลิ่นรสออกจากน้ําได้ จิต ใ, ใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่านนะโดยจิตนั้นไม่ใช่ตัวธรรมะคือกิเลสตอนนี้จีการสอนจึงสอนให้แยกกิเลสออกจากจิตแต่ในขณะเดียวกันจิตก็ไม่ใช่กุศลธรรมจึงมีคมสอนให้พยายามเพิ่มปูนกุศลธรรมขึ้นภายในจิตรู้ประมาทที่เราให้เห็นถึงความมิจิตของจิต ที่แปลผันไปด้วยประการต่างๆแสดงอาการออกมาในรักษณะต่างๆนั้นมันเหมือนเจตยันชนะที่เราเขียนอักษรซึ่งกอไก่ข้อไข่ถ้ายังไม่มีตัวอื่นเข้ามาประกอบมันก็เป็นกอไก่ข้อไข่อย่างเดียวกันเองจะเรียกออกเสียงเป็นอย่างอื่นไม่ได้พจตยานใดที่มีตัวสะกดมีสระมีวรรณยุกต์มีกรรัตนมาเกียวข้อง พอไกขพอไทยนั้นก็สามารถออกเสียงและให้ความหมายไปในลักษณะต่างๆเป็นนั้นมากพ ย, ยัญชนะในของไทยเรามีสี่สิบสี่ตัวเราก็ใช้กันมากมายไกลกองได้ริงแล้วก็หมุนวนกันอยู่ในสี่สิบสี่คำตนั้นที่เป็นการแสดงได้เห็นถึงความวิจิตของจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นเราเอาก็จินแล้วจิตมันก็จะแปรผันไป การสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิตซึ่งในที่นี้ก็ได้แก่ธรรมะสามกลุ่มที่เราใช้คำว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะอัปยาคตาธรรมะคือธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขธรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์เนี่ยธรรมที่เป็นอัพยากฤิคือิจกลางกลางไม่ให้ผลเป็นธรรมชาติธรรมดา จะเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ก็แล้วแต่ใจเราลักษณะของอุปสนธรรมหรืออกุศลธรรมหรือปยากตะธรรมแต่ละอย่างซึ่งปรากฏในขณะนั้นๆก็ทรงสอนให้รู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นสมมติว่าอากุศลคือความโลภบางเกิดขึ้นภายในชิต สติสัมชัญญะก็เกิดระลึกรู้ว่าขณะนี้ความโลภได้เกิดขึ้นภายในจิตของเราแต่ขณะก่อนในช่วงก่อนจิตไม่มีความโลภในขณะนี้ในระยะนี้จิตก็มีความโลภอยู่เพาะนแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เป็นอันเดียวกัน เป็นแต่เป็นเพียงแต่เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแล้วมีอารมณ์เป็นอย่างเดียวกันจนไม่อาจที่จะกำหนดได้ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนื่งจากกาลังสติสัมมชจัญญา์ของเราก็มีไม่มากพอที่จะไปแยกได้ถัดจาดนั้น ในหลักทางพระอภิธรรมที่ท่านแสดงสภาวะของจิตกับเจตสิกที่กราวนั้นว่าเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดับไปพร้อมกันมีอารมณ์เป็นอย่างเดียวกันเช่นสมมติว่าความโลภเกิดขึ้นในอารมณ์ใดจิตก็มีความโลภในอารมณ์นั้น บางครั้งเราไปแชร์ว่าจิตโลภหรือเราโลภไปเลยพูดง่ายๆพูดง่ายว่าเราโลภไปเลยแต่ที่จริงจิตโลภเอาก็จริงจิตไม่ได้โลภจิตมันถูกปรุงด้วยความโลภแต่พูดกันขนาดนั้นมันก็คือกันยากเข้าใจกันยากแล้วก็พูดว่าเราโลภเราโกรธเราหลงโดยเอาทั้งกายทั้งจิตทั้งเจตสิกเข้าไปรวมๆกันกนะ็พูดรวมๆกัน แต่แท้ที่จริงแล้วอเอืความโลกซึ่งเป็นสังขารมาปรุงจิตให้โลกจิตก็มีอาการโลกตามไปแล้วก็พร้อมที่จะแสดงออกมาให้เห็นทางกายบ้างทางวาจกาบ้งา ง, างหรือบางครั้งก็อาจจะปรากฏขึ้นภายในจิตเฉยๆไปเรื่องที่เรารู้ได้ใจของเราเองว่าขณะนี้ใจเรามีความโลภ กิเลสมันมีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆอย่างที่ทราบกันกิเลสประเภทโลกนั้นจะเรียกอยู่สองชื่อใหญ่ถ้าพูดรัชาบ้านพระพุทธเจ้ า, ามักใช้คำว่าโลภะกต่ลับสางกับพระสงค์มักใช้คำราราคะแต่ว่าโดยลักษณะโดยอาการโดยพื้นฐานแล้วเป็นอย่างเดียวกัน เป็นอาการของจิตที่ข่อยคว้าปรารถนามุ่งไปข้างหน้าต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นในสิ่งที่ตนยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่เป็นแล้วก็จะมีการข่อยค้าไปเรื่อ ย, อยจุดของการแสวงหาจุดของการข่อยคว้าปรารถนานั้นจะไม่มีจุดจบแม้จะ ให้มีฝนตกลงเป็นกหาปปะนะคือเป็นเงินเป็นทองเลยความปรารถนาของคุณก็จะไม่จบมันเป็นลกนักษณะของตัณหาอย่างที่ทรงแสดงวันทีนัดติตัณหาสมาณาดีในานามเสนอหรือตัณหาไม่มีพันีิติประกอบด้วยความโลภหรือราคะก็จะป่อยป้าปรารถนาไปเรื่อย มันเป่ทรงสอนให้เห็นเป็นรูปธรรมเพราะเหมือนกะลิงที่จับที่ต้นไม้จับกิ่งนี้วางกิ่งนั้นค้ากิ่งโน้นไปเรื่อยก็เล่นไปเรื่อยไม่ได้หยุดในที่ใดที่หนึ่งนานๆหรือเหมือนกับนกนกบ้านเราก็คือนกเขาที่จับในที่ใดที่หนึ่งแล้ว ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราแล้วก็ร้องว่าเป็นของเราของเราแล้วก็บินไปแล้วก็ร้องเป็นของเราแล้วก็บินไปบินไปแต่มนที่สุดในแง่ของความจริงที่เป็นจริงแม้แต่ตัวของเราก็ยังไม่เป็นของเราของนอกนั้นจะเป็นของเราได้อย่างไร ไม่ใจ่กิตที่ประกอบไปราค่าพอดีโลภะกด็ดีนั้นมีพื้นฐานมาจากโมหะคือความหลงันจะเกิดรู้รับทันทั้งความจริงในลักษณะนั้นมันก็เป็นฝายได้ยากนอกจากว่าโมหะจะลดลงจะทำให้โลภะมันลดลงันั้นในช่วงของโลภะนั่นเองจะเห็นได้ว่าบางครั้งมันก็เปลี่ยนเป็นประนีตไปได้ในช่วงของการแสวงหาเอง เาากิดได้ลบค่าจัดจัดลบค่ามากมากมันก็มุ่งแสวงหาโดยในรคำนึงถึงวิธีการที่ได้มาขอเพียงแต่ได้มาอาจจะชอ่อกรุงพุชดิดเพียนฆ่าทำลายล้างเบียดเบียนบุคคลอื่นที่ว่าได้มาด้วยเลือดก็ได้สูญเสียเลือดสูญเสียชีวิตของบุคคลอื่นไปก น, นั้นมาก ทั้งแสดงให้เมื่โมหะกรบมากโลภะกรอบมากมากอน ม, มีการขัดขวางโทสะต้อนกรบมากอิเลโกมากโดยกันก็หมุนทำจิตของบุคคลให้ปั่นป่วนถูกขักใสทุกเสือกใส่ไปไปอำนาจของความรู้สึกเหล่านั้นที่ถ้าเรามองถึงอาการที่ปรากฏจะนี่เป็นอาการที่บางทีตัวหนึ่งนำตัวหนึ่งหนุนตัวหนึ่งตา เช่นสมม่าเกิดความโลภรุนแรงต้องการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็เป็นอาการโลภะหลงมีการแสวงหาด้วยประการต่างๆด้วยความโลภด้วยความหลงพราะมีคนขัดขวางหรือมีคนยื้อแย่งไปหรือคนไม่ยอมให้สิ่งที่เราอยากได้เราก็เกิดโทสะเกิดโมหะทาว่าบางคับมาก้าวคนไปยื้อแย่งแม้แต่ของของคนอื่น ทันได้เห็นได้ชัดว่าเป็นอาการของโลภะของโมหะแต่นี้บางคนอื่นคนนั้นแกไม่ยอมให้เราก็เกิดโทสะโมหะกันแล้ว แ, แรงมันก็อาจจะถึงกับทำลายล้างหรือฆ่าจิงครับต่างๆล้าง่านกันที่ได้ยินได้วางข่าวอยู่เสมอตั้งเแือการยีคกิเลสที่เขาเป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากว่าในช่วงนั้นเอง มีธรรมะเกิดขึ้นจะเป็นศรัทธาหรือจะเป็นปัญญาหรือจะเป็นสติสัมชัญญะอะไรก็ตามมันจะทำให้ที่สลายต่อต่อมันคือโมหะทำให้จิตใจมันสว่างขึ้นเมตต์มีผล ม, มากขึ้นแม้ในการสแสวงหาเองกับชั่วควบคุมทิศทางของการสแสวงหา อาจจะมีสิ่งของต่างๆเป็นนั้นมากแต่ตนต้องได้มาในทางที่ชอบทำพวกเราอาจจะดูอาการของกิเลสเหล่านี้ได้ในคราวที่เดินไปตามห้างสรรพสินค้าทั้งหลายหรืคนที่โลกจากนั้นอาจจะแอบซักจอกมาไว้ในที่ใดที่หนึ่งตัวคนที่โลกไม่จัดนั้นก็อยู่ในห้างสรรพสินค้าเหล่านั้นเอง แต่ว่าจะเลือกซื้อไปแล้วพอไปเขาคิดราคาตามความเป็นจริงแล้วก็ออกมาเฉพาะที่ตัวได้ซื้อมาในทางที่ถูกต้องมเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในครอบครองแล้วบางคนก็จะหัวมากือถ้าเกิดโลภะอยู่มากก็จะหัวมากไ ม, มไม่ยอมแม้ใครแตะต้องไม่ยอมแบ่งปันให้แก่ใครไม่ยอมช่วยเหลือเกือ้อกูลใคร แต่ถ้าหากวาจิตในขณะนั้นโมหะคือความหลงมาจากหลงโลภาจากหลงอาจจะซื้อกรดมมาแล้วก็ไปเจอเด็กๆ เ, เอาไปแจกเด็กไปก็ได้หลือจะเอาไปให้ทานหรือไปช่วยการกุศลต่างๆวันทีก็แบ่งไปบางทีอาจจะให้เลยนั้นเราเห็นถึงความเื้มข้นของกิเลสว่ามันได้จากลง จางลงจนเปลี่ยนเป็นอยากได้บุญอยากได้ความดีอยากได้ยกย่องสรรเสริญจริงมันก็อยากอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากนั้นจะมีความประนีตขึ้นเพราะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายจะเห็นได้ว่าที่พรุทธเจ้าทรงเรียงอะไรก็ตามที่ทรงสั่งสอนอะไรไว้ก็ตามไม่ใช่ว่านิ่งๆจับเอามาเรียงแต่จะเรียงกันอย่างมีเหตุมีผล ยานาัยกรณีของการเรียนธรรมะที่เป็นโลกโล ก, กธรรมที่เรียกว่าโล ก, กธรรมคือธรรมะที่ครอบนำจิตใจของชาวโลกอยู่และชาวโลกทุกชีวิตมันก็เจอกต่สิ่งเหล่านี้พระริยเจ้าเองก็เจอกับสิ่งเหล่านี้สามาัญชนทั่วไปก็เจอกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีอยู่ทุทกยุทุกสมัยมันก็เจออยู่เลยในส่วนที่น่าปรารถนานั้น เรียกว่าลาบยศสันเสริสุขถามไกลๆแฝงก็ต้องการจนความต้องการที่สากลท่านจังเรียกว่าโลกกรทำหมายความว่าเป็นธรรมะของชาวโลกโดยทั่วไปฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนานั้นคือเสือบราบเสื่อมยศเง็นธานสุในส่วนที่น่าปรารถนานั้นใจไม่จะเกิดโลภะ แต่ก็โลกแต่ก็ราบด้เป็นเถินนั้นเป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของโลหะพ่า ม, มีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรค็บางคนจะมุ่งได้ครอบครองในส่วนที่เป็นรูปวัตถุมีที่ดินมากมากมีบ้านมากๆอยู่ในที่ต่างๆยาเยอะๆไปหมดเลย แลขณะเหล่านี้จะเห็นว่าเขามีความรู้สึกคล้ายๆเขาไม่ตายตอนเขลยนลึกๆจริงๆท่านเรียกว่าเป็นภวะทิฏฐิหรือสัจจะทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนก็มองอยู่มือสองตัวว่าไอ้ทรัพย์สมบัติ ท, ที่ตนได้มานั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนและตัวเองก็จะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันจะสามารถใช้สอยผริตภัณฑ์งเงินทองเหล่านั้นอยู่ได้ตลอดไปก็คว้ากัาานได้ไปเิื่อย ต้นตัวที่ผิดจริงๆตัวที่ทำให้เกิดขักเทวไปจริงๆก็คือสติสติคือความเห็นว่าเที่ยงแท้ใ น, น่นอะมันก็เกิดได้ขอให้เกิดเป็นอาการของตัญหาขอให้เกิดเป็นอาการของโลภะขึ้นมาอย่างนั้นแต่ในตัวเลยโลภะนั่นเองถ้ามีส ต, ติสัมปชัญญะมีศรัทธาเป็นต้นเข้ามาแทรกดังกล่าวมันก็พร้อมที่จะเสียสละแบงปัน่น คือเพื่ อ, อ, อเปื่อแผ่โอ้อมาตรีส่งเคราะนองคราะแก่บุคคลอื่นได้และจนถึงในโลภะนั่นเองเราก็เปลี่ยนเป็นนําของนั้นไปใช่วยเหลือเกื้อกูลแกบุคคลอื่นเพื่อต้องการเกยียติยศชื่อเสียงแการรับก็ก้องสนเสริญจากบุคคลทั้งหลายเป็นผู้ใจปุญททนทานเป็นต้น ก็ไปเห็นว่าเรื่อมันเปลี่ยนทักษมัติในช่วงเราถือครองด้วยความโลภจัดนั้นมันจะต้องเป็นอย่างที่มันเป็นคือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมันก็ถึงคราบมันก็เสื่อมไปแต่พอสติสัมปชัญญะเริ่มมากขึ้นความคิดที่ให้ออกไปโดยการให้ทานโดยการสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วเหลือเกือกูลระบบเกินดือนนั้น ไอ้ตัววัตถุมันก็คงไม่เที่ยงแต่ว่าเจตนาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเอเรธธรรมบุญนั้ น, น, นในแง่าของความเป็นจริงเก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราเป็นสังขารเหมือนกันแต่ว่าเป็นสมบัติที่ติดตัวในยุคการใช้สอยในยุคการติดตามเราไปได้คือข้ามภพข้ามชาติไปได้ที่ทรงใช้คำว่านอนุการมินีคือติดตนไปได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลจากการมีสติสมัญญาของบุคคลเราดันสามารถมองลาาผลที่ตนได้มาในรูปของการแยรกแยะที่จะหยิบฉวยเอาสาระจากทรัพย์สินเงินทองเราดันนั้ น, นคําสอนในด้านศีลธรรมจริยาระดับฐานระดับการเอื้อเฟื้อสงเคราะห์นอกะดับการนั้นเพื่อสังเกตว่านอกจากจะสร้างมิตรสัมพันธ์ไมตรี ให้มีต่อกันในขณะที่ดำตรงชีวิตยอยู่แล้วกุศลและเจตนาที่เป็นเหตุให้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลเหล่าอื่นนั้นก็กลายเป็นบุญซึ่งสามารถติดตัวไปได้ตกแต่งพบชาติของบุคคลในพระนีตได้บางคนอาจจะไม่ต้องการจด ไม่ต้องการทั้งอิทธิยยศไม่ต้องการทั้งบริวารยศไม่ต้องการทั้งเกยียรติยศแต่อาจจะต้องการสันเสริญซึ่งก็อยู่ในกลุ่มที่จริงก็อยู่ในกลุ่มของเกยียรติยศต้องการได้รับการยกเ่องสันเสริญจากบุคคลทั้งหลายตัวสันเสริญนั้นเป็นผลที่เขารับได้ทั้งในช่วงที่มีชีวิตอยู่และช่วงที่ตายแล้วแต่ตัวเสริเจตนาที่เป็นเหตุให้เข้าเสียสละ ที่เขาได้มานั้นก็กลายเป็นบุญอีกมางคนแม้แต่สนเสริญก็ไม่ต้องการคือต้องการความสุขใจความสบายใจเป็นอย่างที่ทรงรแสดงแบบนง่ายในกาสีและปฏศสุขขังการบริโภคคนเดียวไม่ได้รับความสุข เราก็สมเคราะห์แบ่งปันให้คนอื่นแต่นี่จะบริโภคคนเดียวคนอื่นก็ได้กินด้วยแล้วไม่จํา เ, เป็นที่จะต้องได้ยศได้สรรเสริญอะไรเรารู้สึกสุขใจที่ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์เพื่อนโร่โลกด้วยกันในสงเครามนอเคราะห์เข้ากันคันนี้เราจะเห็นว่าจิตใจในขณะนั้นตัวความสุขเป็นสิ่งที่สัมผัสในปัจจุบันเป็นลูกของปีติปรามโมทที่ได้กระทําความดี แต่กุศลและเจตนาที่เป็นเอกและเขาทำบุญมันก็กลายเป็นบุญทึ่งมีความประณีตมากยิ่งขึ้นมีผลมีานมีสงมากขึ้ น, น, มมนปริมาณของบุญที่มากนั้นไม่ได้อยู่ที่การบริจาคมากแต่ว่าอยู่ที่การสามารถขจัดกิเลสได้มากแน่นอนมันั้งมาสัมพันธ์กับการบริจาคมากด้วย เพราะอะไรเพราะการที่บุคคลสามารถบริจาคได้มากเสียสละได้มากสมเคราะห์ได้มากนั้นหมายถึงความโลภความหวงในทรัพย์สมบัตินั้นมีน้อยหมายถึงจากคดเจิตนาที่มีอยู่ในวัตถุนั้นมากบุคคลบางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่เราก็ให้ได้เราแสดงมรรคโทสะที่มีอยู่ในคนนั้นได้ลดลงไปเราจึงจะสามารถเสียสละนเกข้อได้ จเจตสุนทรเจตนาเหล่านี้ได้ทําน้าที่ขจัดกิเลสซึ่งตรงกันข้ามกับตนฐานะของเขากือฐานะของกุศลแลรทำเองมันก็เป็นสังการนั่นแหละแต่ว่าเป็นส้งการที่มีกาลังมีประมาณจนขจัดกิเลสขจัดโลภะขจัดโทสะขจัดโมหะให้เบาบางลงไปคุณภาพจิตของตนในขณะนั้นก็มีความสงบเยน็น มันมองตัดไปที่ง่ายๆที่ตอนต้นๆอย่างที่พระเจ้าทรงสอนเรื่องการให้ทานให้บุคคลรักษาเจตนาสามการไว้ให้ได้ก่อนให้ขณะให้หลังให้ก่อนให้ก็มีกุศลและเจตนาของการจะเสียสละขณะให้ก็มีความชื่นชมยินดีในการที่ได้เสียสละหลังจากให้ไปแล้วก็เกิดปีติประมุข เป็วิธีการฝึกรือให้รักษาคุณภาพจิตเอาไว้ในนั้นว่ามีโลภะโทสะโมหะอยู่แต่ว่าทำยังไงล่ะสามการนี้ให้รักษาจิตเอาไว้อย่าให้โลภะโทสะโมหะแ่เข้าไปมีอำนาจครอบงาปริมาณของกุศลก็คุ้มครองจิตอยู่ได้นานตราบเท่าที่เจตนาหลังจากให้ยังมีปีติปราโมทอยู่ บางครั้งเราทำไปแล้วเป็นปีๆก็นึกถึงแล้วก็เกิดปิติปราโมทเ์ขมาจิตใจในขณะนั้นก็มีความสงบ ม, มีความเยือกเย็นหลางจากอาจารย์ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการทชื่อเห็นยังหนึ่งว่าในบรรดาโูกสังขารทั้งหลายนั้นเขาก็ต่อสู้ซักเยอ่อกนนอยูภายในใจเรา บางครั้งกุศลมีกำลังมากก็ทำกุศลได้มากบางครั้งกุศลมีกำลังน้อยก็ไม่อาจทำได้บางครั้งอกุศลมีกำลังมากก็ทำความชั่วไปมากบางครั้งอกุศลมีกำลังน้อยก็ยับยั้งข้างใจบั่นท้าสงบ ร, งระงับหรือว่าดับหรือว่าหยุดไปได้ในหลายๆเรื่องหรือจะน้อยก็ปริมาณ ก, การทำความชั่วจะลดลงไปท่านี้แต่นั้นอยู่ที่ใจซึ่ง ถูกปรุงด้วยอะไรในขณะนั้นๆเป็นประการสาคัญใจถูกปรุงด้วยกุศลการกระทํากุศลก็ต่อเนื่องไปได้ใจถูกปรุงด้วยอกุศลการกระทําที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นได้ไม่ได้การการทําการพูดการคิดก็จะตกตกลงไปสู่กระแสของอกุศลแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่เสมอพึงสังเกตดูได้ทุกขณะต่อนนี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบ ต, ต่อไป